อุ ừ, ท้อน ừ, ตัดส ตัสาจตุวีตติมังทินังวระวจินะปนะสุขระวโรกติเอวังตัศภักวโตปินิปานาทาทะนาโยกาลคานาณา สละเกตปติทิสุปปัสดุบันพระพุทธศาสนาอยู่การนับยําเดิมเริ่มแต่วันสเสด็จ ด, ดับขันปรินิพานแห่งองค์รมเดชพระผู้มีพระภาค ระอรหันต์สมบัติมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้สองพันห้ารอยห้าสิบปดพระวาปัจยบันนาสมัยเดือนเมษายนมาศรัตน์ยี่สิบสี่วันศุกร์วันนี้อย่างเป็นปัจยบันานาวัน พระพุทธศาสนาอยู่การนับจํำเดิมเริ่มแต่วันเสด็จรับการปรินิพานแห่งองค์ทรงเดชพระผู้มีพระภาคอารหันตะรรมาาัมพุจเจ้าของเรานั้นมีหน่อยอันที่ท่านทั้งหลายจะพึงกำหนดนับ รับรอยด้วยประกอบชนนีตีนะโมตัสพะโกโตอรโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโมตัสสะพะโกโตอรังโตสัมมสัมพุทธัสสะนะ เจ้าผ mm hmm. oh uh ู้ประเสริฐสุดในโลกเป็นพระศาสดาเอกในโลกดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกได้โดยสิ้นเชิงรัสารูยชอบได้โดยพระองค์เองท่องเพรียพร้อมป่อยด้วยวิชา และจารณะส่องระด็จไปดีแล้วสองโลแจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรคึกไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค รองบญญัติรรมอันประเสริฐให้ทุกท่านจงนอนจิตนอมใจถึงพุทธานุตสติคนข้อใดข้อหนึ่งเพื่อเป็นมงคลเป็นบนุญเป็นกุศลส่วนพระธรรมใดอันพระผู้มีพระภาคัรวยดีแล้วไปเลาะในเบื้องตน ไปเราะในถ้ำกลางไปเราะในที่สุดผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นเองไม่ประกอบไปด้วยการและเวลาควรจะเรียกผู้อื่นเข้ามาจ้องดูเถิดผู้สงบปรากฏแล้ว เป็นผู้ไม่โลเลเป็นผู้ไม่เหลวไหลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีปัญญาควรที่เราจะนอนภาใสตนอันธรรมที่เป็นอยู่จนจะพึงรู้จะพอตนให้ทุกท่านจองระลึกถึงสวากาตธรรม ให้เป็นธรรมานุสติเพื่อเป็นมงคลเป็นบนุญเป็นทุขสนของท่านทั้งหลายส่วนพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตงแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากถุก ปฏิบัติธรรมสมควรแกรร่ทมควรแก่การต้อนรับกราบไหว้อันชหลีกรรมเป็นสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ส, <c oughs> สี่คู่แปดอริยบุคคลนี่คือพระสงค์ซึ่งเป็นเนือดาบุญของชาวบ้าน ของชาวเมืองของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นใดที่จะยิ่งกว่าให้ทุกท่านยอมรัดตาลงในพระสง์เพื่อเป็นบนุญเป็นมงคลเป็นกุศลเป็นศีิแก่ท่านทั้งหลายรัตนะทั้งสามประการนี้ เป็นที่พึ่งอันอุดมอันกรเสมอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะยิ่งกว่าที่อัตมาได้นำพระสัตธรรมของพระพุทธองค์ในเบื้องต้นว่ากาตปาจะวิปัสสนาแปลว่าวิปัสสนาเหมาะสม แก่บุคคลทุกบุคคลแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีริติอะไรก็ไม่ขัดต่อจริตถามว่าการเจริญวิปัสสนาที่เหมาะสมแก่ บ, บุคคลที่เรา ว, วิปัสสนาธุระมีกี่ประการพระพุทธองค์ทรงสแสดงทางที่ปฏิบัติ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 ให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมานัดนี่คือธรรมที่ถูกต้องคือธรรมที่จะออกอยากทุกข์ได้แก่มางอสาาติปัฏฐานทีคำว่าบางอ า, านี่แปลว่าใหญ่สติธรรมเป็นเครื่องอาศัยระลึกปัฏฐานะแปลว่าตั้งมัน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 การระวังตาหูจหมกูกเล้นกายใจเมื่อกระทบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปอดทพะหรือธรรมารมจะรักษาอินทรีย์ทั้งหมดนี้ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายนี่คือสติ เมื่อสํารวมดีแล้วผู้สํารวมสติติดต่อกันเนืองๆสมบมเสมอจะทำไม่เกิดสุจจริตสามประการสุจจริตสามประการนั่นคือกายสุจจริตวจีสุจจริตมโนสุดจริต กายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมว่าจีสุจริตไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้มอมโนสุจริตไม่ลอบอยากได้ของผู้ใดไม่พยาบามปองร้ายซึ่งใครใคร และไม่เห็นผิดจากทานองครองธรรมทุจริตทั้งสามประการนี้ประเสริฐถ้าเราสามารถรักษาทุจริตสามประการนี้ให้ติดต่อกันเดืองเืองหรือติดต่อนานๆานจะทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ี่สติปัฏฐานที มีกี่อย่างอะไรบ้างสติปัจจันทสีมีที่อย่างท่านตั้งใจฟังให้ดีซึ่งเป็นหลักการเป็นวิธีการที่ท่านจะดำไปปฏิบัติการตามพรทธรรมคำสอนของพระสมัยสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามพระองค์ตรัสว่า กายกายานุปัสสิวิงรติอาตาปีสัมปาาโนสติมาภิไยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้พิจารณา็นกายในกายเนืองเนืองอยู่อาตาปี ความเพียรเป็นเครื่องเผาผลานกิเลสบาป ร, รมให้เร่ารอนสมปรชาโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไวให้มันองค์ธทั้งสามประการดีถ้าสมบูรณ์แก่ผู้ใด วิเนยโลกเกอาภิชาโทมานัสสังจะทำลายอาภิชาและโทมานัสทำลายความยินดีความยินรายในโลกให้พินาศไปนี่คือหลักการของฐานกายานุปัจจนาซึ่งมีทั้งสิบสี่บพะ การที่จะแสดงให้ครอบทุกบับพเพคงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ท่านจำหัวข้อธรรมเรียกว่าอุเทศําว่าอุเทศนี่คือหัวข้อของธรรมกายในยและกายนอกอะไรเป็นกายใน อ, ยอะไรเป็นกายนอกแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ากายในกายกายกา ย, กายนอก ทุกคนรู้เป็นกายสมมุดว่าเป็นบุคคลชื่อนั้นชื่อดีหรือแม้เป็นตัวตนของตนเองเป็นกายนอกแต่กายหน่อยนี้เป็นกายสมเป็นกายปรมัตดคนธรรมดาไม่เจริญวิปัสนาจะไม่รู้ปรมัตธรรมที่คือหลักการครั้นหนึ่ง สวรรฐานที่สองเวาทานานุเวา ท, า น, า น, วาทานานุปัสสีพิการติอาตาปีาสัมปัญโญสติมาวิณยโลกีอาภิชาโตามานัสสังจ่องพิจณาเวทนาในเวาทานาเ น, น, นื่องเืองอยู่ หรือเป็นประจําเช่นสุ ข, ขเวทนาก็ดีที่เกิดทุกขเวทนาที่เกิดหรือไม่สุขไม่ทุกขไม่เวทนาที่เกิดประคองใจตั้งไว้ให้ตรงในเวทนานั้นด้วยอาตาปีพร้อมเพลียนเป็นเครื่องเป่ากิเลสสัมปชานโนตัวปัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อม สติมาตั้งสติไวให้มันวินัยโลกเกอาพิชาโทมนัสสังกำจัดอาพิชาและโทมนัสออกจากใจให้หมดไม่ยินดีไม่ยินร้ยในส่วนใดๆนี่คือฐานที่ตั้งของสติในฐานเวทนาจิตตานุปจิตแตจิตตอนุปสีวิงารติ อาตาปีสัมปชานโนสติมาพินยโลเกอภิชฌโทมนัตสังเธอจงพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองเป็นประจําอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกําจัดความยินดีความยินร้ายออกจากจิตใจให้หมด ธรรมเมชุธรรมานุปัสสิวิการติอาตาปิสัมปัญโนสติมาวินัยโลกเกอภิชาโทมณสังพิจนาเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติ การจัดความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อของธรรมหรืออุเทศของธรรมในการที่จะปฏิบัติวิปัสสนาหรือในการที่จะปฏิบัติในมังหาสติปัฏฐานทีพระพุทธองค์ตรังชี้ว่าทางดีทางเดียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแหกเวนยศทั้งหลายให้เก้าล่วงความเศร้าโศกความร้องไห้ความร่ำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์แลโตมนัดเป็นใหญ่ย่าทนส่วนพิส่วนปฏิบัติการให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติ ยังสติลงในฐานนั้นเพื่อถวายเป็นพระรา ช, ชากุศลพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดาาาชมังกรที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณนโะรงยาบาลที่ทีราชทรงพระพระประชวน ขอให้พระองค์ทรงอายจากประชวนมีพระระเสมสาราญให้พระองค์ทรงมีพระยนชนมายุยิ่งยืนนานด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอานุภาพของพระสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วช า, ากลและจักรวาล จงประทานความสุขให้แก่ท่านทั้งหลายและประทานความสุขให้แก่บุคคลทั่วโลกด้วยการเจริญจิตตภาวนาปรับความเข้าใจนิดหนึ่งคําว่าภาวนานั่นคืออะไรคําว่าภาวนาแปลว่าทําไม่เกิดทําไม่มี ทำไม่เป็นทำไม่ถึงพร้อมมีอยู่สี่ประการฟังให้ดีพระองค์จะไดชั้นทางชเนติยังความพอใจให้บังเกิดในการปฏิบัติธรรมสองวายะมติเมื่อปฏิบัติทำแล้วพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่อง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 ในการกระทำทุกเมื่อข้อที่สี่สุดท้ายภาวนาจิตตังปักขันอติปะทังอติประคาาองจิตตั้งววยให้ตรงกับการกระทาไม่ใช่สิ่งที่ถูกกระทาเหมือนชาโลก้าโลกก็กระทาสิ่งใดจิตก็อยู่ในสิ่งที่ถูกกระทาแต่ผู้ปฏิบัติธรรม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 ดำรงตั้งมั่นคงที่เอาเฉพาะเบื้องตนคือให้ทุกท่านตั้งใจกำหนดอาณาปานาสติคือให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ให้ตลอดสายออกก็รู้ให้ตลอดสายพระพุทธองค์ทร ง, สงสแสดงสอนโดยตร ง, ตรง พระพุทธองค์ตรัสว่าที่คังว่าอัศสันตนโตที่คังอัศว า, ามิติปาชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวที่คังว่าปัสสันโต เทของปัจจ้ามิติประจานาติเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวพระองค์ไม่ได้ท่องไม่ได้สอนให้ท่องให้บริกรรมให้นึกให้คิดคือเรื่องอื่นพระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจองทำจิตให้ว่างจากทุกทุกอย่างที่ไม่วาง คือลมหายใจอน า, าปานัติเป็นธรรมเครื่องระงับสังขารทางปวงจะเป็นกาย่อสังขารวาจีสังขารหรือแ ม, ม่มโนสังขารก็สงบจิตจะเข้าสู่สมาธิตั้งแต่ปฐมทุติยทุติยฌานตติยฌาน จนถึงจะตุดใจฌานก็ด้วยอนาปานสติวิธีกำหนดเมื่อหายใจเข้ายาวให้ผู้ปฏิบัติเรือหลักธรรพระโยคาวัยจรผู้ปฏิบัติตนต้องตามรู้ลมหายใจที่เคลื่อนไหวตลอดสายตั้งแต่ต้นลมปลางลมสุดลม ให้มีสติตามระลึกรู้ให้ตลอดสายเมื่อหายใจเข้าสุดจงพักลมพักจิตนิดหนึ่งทําจิตให้ว่างจากทุกอย่างพักจิตไหวไผ่หน่เวลาหายใจออกยาวก็ตามรู้การเคลื่อนไหวของลมตั้งแต่ปลายลมกลางลมจุดลมแต่พอหายใจสุดไม่ต้องพัก ที่ปล่อยใจเขา้าให้โลให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานจนกว่าจะอิ่มเพราะลมหายใจนี่เป็นอาหารของจิตเราไม่ค่อยให้อาหารทางจิตนิยมให้อาหารทางกายวันละหลายหลายมือบางทีกลางคืนก็ยังแถมที่จะจะอ า, อาหารทางกายอีก ไม่มีต้องออกกาไปซื้อให้ทางกายได้อิ่มแต่ทางจิตไม่ปกคร้องจิตนั่นที่ที่โดนขวนขวายเรื่องต่างๆ เ, เพราะจิตขาดอาหารเราไม่ได้อาหารทางจิตไม่ได้อาหารทางวิญญาณมันจึงความคิดจึงสับสนวกวนจนถึงกับเครียดยหาทางออกไม่ถูก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 จะเริญสติใหม่พระสัมบาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนาิกไปจนทุกทานพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยอนาปานสติในคืนที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์กำลนดลมหายใจสิบหกขั้นแต่ที่พระองค์ทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรเพียงสี่ขั้น หายใจเข้ายาวออกยาวนี่ขั้นที่หนึ่งให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นเรื่องอื่นว่างให้หมดที่ไม่ว่างคือลมหายใจในี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหายใจเข้าสัน้นหายใจออกสัน้นขั้นที่สามหายใจเข้าหายใจออกให้รู้กายทั้งหมดหรือกายทั้งปวง ขั้นที่สี่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อละกายยาสังขารเพื่อราบกายยสังขารมีเพียงสี่ขั้นเพราะฉะนั้นลมหายใจมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เรามีอยู่ถ้าเราหมดลมหายใจเมื่อไรสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ของเราไม่แต่สักอย่างเดียว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 แต่ถ้าจเจริญลมหายใจนี้เราจะรู้โดยไม่ต้องเปิดตำราโดยไม่ต้องศึกษาปริยัติธรรมรู้ได้ชัดเจนที่เป็นธาตุดินยี่สิบส่วนที่เป็นธาตุน้ำสิบสองส่วนที่เป็นธาตุไฟสี่ส่วนที่เป็นธาตุลมหกส่วนเป็นสี่สิบสองนี่เป็นกายธาตุ อย่างเป็นเี่เพียงตุ๊กตาอย่างได้ไปเป็นคนหรอกมันต้องประกอบปีกหลายอย่างต้องประกอบด้วยขันอายตนะขันมีห้ากองแต่ละกองมีสิบอดส่วนสิบอดห้าอีกห้าสิบห้าห้าสิบห้าส่วนประกอบเข้ากับทอดทีจึงจะเป็นบุคคล ไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีเท่ากันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพลยนั้นให้เราพิจารณาให้ดีในการเจริญเป็นวิปัสสนาต้องพิจรารณากายในหรือกายนอกกายนอกคืออะไรกายนอกคือาธาตุสี่ดินนาำไฟลมกายในคืออะไร คือเบ็ยขันห้าการจเจริญวิปัตนานี้มีขันห้าเป็นภูมิของวิปัจนาที่เราเรียกวิปัจนาภูมิการที่จะเห็นขันห้าต้องแบ่งกายนี้ออกเป็นสามส่วนเรียกว่าส่วนสามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอิติอัชชัตตังวากาเย กายาโนปสีวิการติพิจารณาอินกายในกายเป็นภายในนี่ส่วนหนึ่งภาณิทาวากายเยกายาโนปสิวิการติพิจารณาห็นกายในกายเป็นภายนอกส่วนหนึ่ง อัจฉริพังิธาวาก า, วกายกายานุปัตติภิกาะิพิจรารนกายทั้งภายในทั้งภายนอกพร้อมกันที่ส่วนหนึ่งเรียกว่าชวนสามแห่งกายถามว่าเป็นวิปัสสนาหรือยังยังไม่เป็นวิปัสสนา พรวิปัสสนานิปปัญญาต้องเกิดปัญญาที่จะเกิดในภูมิของวิปัสสนาภูมิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าส ม, มุทยยธรรมานุปัสสีวากายัตตานิงเวหะระติพิจารณาเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ความเกิดขึ้นของรูปนามที่ว่าเบื้องต้นอุทยปปญานุปัจน า, านญาณนี่นคือปัญญาจะมองเห็นนามรูปที่เกิดหรือนามรูปที่ดับที่จะเห็นที่ดับเป็นพระองค์ตรัสว่าวิทยธรรมานุปัตติวา กายัสัมิงวิหารติพิจารมียานมองเห็นเฉพาะความดับของรูปนามชัดเจนขึ้นที่เราวายะธรรมานุปัสสีวากายตสัมิงวิหารติในส่วนที่สามในส่วนที่สาม สมุทยยวยะธรร ม, มานุปัสสีวากายสัมิงวิงญระติพิจารณาทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมทั้งเกิดทั้งเสื่อมในกายเป็นพยาเป็นพยตูปัชเชน า, าน เป็นไงคื อ, อยานมองเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามหรือสังขารว่าเป็นของที่น่ากลัวจิตจะว่างจิตจะว่างจากทุกอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอัธิกายโยติวาปานัสสติ โยปัิที่ตโงติหรือสติว่ากายมีอยู่ตั้งไ ว, วเฉพาะหน้าแก่เธอั้นกายไม่ใช่กายรูปร่างเนี่ยไม่ใช่ตัวตนแปลงกายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ผู้อื่น คือให้ลบภาพของอบปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นตัวตนเพราะวิปัสสนาจุดประสงค์ต้องการให้ทำลายอบปาทานของเบญญยขันห้าอบปาทานมีกี่อย่างที่เราไม่เห็นวิปัสสนาอบป่าทานในขันหน้าแต่ละขันมีสี่ชั้นเมื่อห้าขันก็มียี่สิบอุปาทาน ห้าสี่ยสเป็นยังไงเราเข้าใจว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปนรูปการจริงเป็นอุปท า, านเพราะฉะนั้นการจะทำลายอุปท า, านวิปัตนาญาณสามประการนี้จึงปรากฏกายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้อื่นแล้ว เ, เป็นผู้ไม่มีตัณหาและไม่มีทิฏฐิความอยากก็ดับทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนก็ดับนะจะกินจิโลกเก อ, อปปุปาทิยาติเธอจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลก แอวังข้อภิกขุกายเยกายานุปัสีิวิรัติดังนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจรารณายในกายได้เจริญอนาปานสติให้ต่อเนื่องให้โล่งให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานทุกอย่างนี่ว่างให้หมดเพราะ โลกนี้คือโลกส ม, มุติถ้าสัญญาในโลกส ม, มุทรยังไม่ดับวิปัสสนาอย่างไม่เกิดเป็นยังไงพระธรรมจัมพุตเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าภิกษุไม่มีปัญญาที่จะถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือพระเจ้าข้าพระองค์ พระทรงทราบว่าภิกษุไม่มีปัญญาที่จะถามพระองค์พระพุทธองค์จึงทรงนิรมิตรเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่พระพุทธเนรมิตรให้พระพุทธเนรมิตรมาตรัสถามปัญหาแทนพระภิกษุพุทธเนรมิตรจึงตรัสถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ออะไรดับพระพุทธเจ้าข้ารูปจึงจะดับทุกขและทุกข์จึงจะดับไปด้วยจึงจะเป็นวิปัสสนาพระองค์จึงต้องตับต่อ ว, ว่าเมื่อสัญญาดับรูปจึงจะดับทุกขและทุกข์จึงจะดับไปด้วย จึงจะเป็นวิปัสสนาเราอยู่ในโลกสัญญาความจําได้ไม่รู้เราตื่นอยู่เมื่อไรก็มีสัญญาตลอดการเมื่อนั้นสัญญาจะดับเมื่อเรานอนหลับแล้วไม่ขวัญตัวเราไม่มีใช่ไหมรูกก็ไม่มีนี่คือจันทร์ดับหรือว่าตอนที่สัญญาดับตอนที่ <c oughs> เป็นลมหมดสติสัญญาโลกดับถ้าสัญญาในโลกนี่ยังไม่ดับเราไม่มีโอกาสที่จะไปรู้ในอดีตแต่ชาติได้เลยสัญญานี้ต้องดับหมดที่อย่า ว, ว่าจวิปัสสนาหรือแม้แต่สามาธิก็ยังไม่เกิดเพราะสามาธิต้องทาสัญญาให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเมื่อสัญญาเป็นหนึ่งเดียว ก็ดับส ม, มาธิจึงรวมรวมจุดเป็นกลางไม่มีอร่อยเป็นส่วนดีและไม่ดีคืออุเบกาส ม, มาธินี่ฉันอยาต้องดับหมดแล้วความเห็นที่เป็นทิฏฐิอัตตาตัวตนฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติดับหมดคือไม่ลำเอียง เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงหรือเพราะกลัวเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีจิตที่ไม่เอง็งเอียงด้วยโลกามิทธจะต้องมีสมาธิจิตถึงอปปนาสมาธิส่วนเวทนาทุกท่านนั่งนานๆ น, นี่ก็เวทนาก็เกิด นั่งนานๆไม่ต้องเปลี่ยนเวทนาเกิดทีละน้อยทีละน้อ ย, อยจากทุกขกเวทนากลายเป็นทุกข์กเวทนาถ้าดูไปนานๆจากทุกข์กเวทนาเพราะทุกข์กเวทนานี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนว่าทุกข์กเวทนาที่ควรกาหนดรู้ และกปาปริยา ญ, ญาตันติเมผู้กำหนดรูแล้วคือทุกขเวทนาดันดับแล้วมีแสดงไว้ในปฐ <c oughs> มเทศนาถึงการกำหนดรูอริยสัจทั้งสี่ว่าทุกควรกำหนดรูสมุทยัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้ง มักควรปฏิบัติไดถึงที่สุดมาทบทวนอริยมรรตตอบทายซะหน่อยว่าทางนี้เป็นทางเอกคือหมายถึงอัตถังคีกรรมมัรแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาจติสัมมาสัมาธิทั้งแปดประการเป็นทางเดินอันประเสริฐเป็นทางเอกมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาสัมมทิติความเห็นชอบหรือจะแปลงให้ถูกจริงๆแปลว่าความเห็นตรง เห็นจงอะไรเห็นตรงอา ד ยสัตเห็นตรงในทุกขเห็นตรงในสมบูทัยเห็นตรงในนิโรธเห็นตรงในอาดิยามักสมาสังกปะดัมมิจงเพื่อจะออกจากกรรมออกจากความพยาบาทออกจากความเบียดเบียนสัมาวิาจากา ว, วิาจาตรงไม่พูดแท้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 ต้องละจากมิจฉาชีพตั้งอยู่ในสัมมาชีพสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือเป็นยังไงหนึ่งเพื่อระวังตาหูจมูกกินก่ใจไม่ให้บาปอากูชนครอบกรรมการระวังไวด้ดีด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารลบความเพียรด้วยประคองใจตั้งไว้ให้ตรง เพื่อเป็นปลาหานบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วและอากุศลที่มาในการก่อนฉันอากุศลไม่เกิดทางตาหูจมูกเิลนกายแต่อากุศลเกิดในทางใจเป็นปราหานประทานต้องดูใจที่เกิดอากุศลด้วยความพอใจด้วยพยายาม ด้วยปลรลบความเพียรด้วยปละกองใจตั้งว้ยให้ดีโกชนใดที่ยังไม่เกิดให้โกชนนั้นเกิดขึ้นด้วยด้วยความพอใจด้วยพยายามด้วยปลรลบความเพียรด้วยปละกองใจตั้งไวย้ยง่ายรงโกชนใดที่เกิดขึ้นแล้วให้จะเริญยิ่งขึ้น ให้เต็มเปลี่ยนไม่ภัยรณไม่สาบไม่สญจะโกจรภาวดาด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปลรลบความเปี่ยนประกองใจตั้งไว้ให้รงสติสัมาสติสติระลึกตรงระลึกในกายานุปัฏนา ในเวทนานุปัสสนาในจิตตานุปัสสนาในธรรมานุปัสสนาตั้งให้มันตั้งให้เป็นฐานหนักแน่นมั่นคงสัมาสมาทิสังขจากกามสงัดจกากอั้วคุชนธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารบีติสุขเกิดจากความสงบ เมื่อวิตกวิจารสงบระงับไปทำให้เกิดปีติคือความอิ่มใจความเ ป, มปรมปลาโม่ใจถ้าปีติส ง, งบไปก็เกิดสุขที่สวยสุขด้วยนามบากายเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเมื่อสุขและทุกข์ส ง, งบไปสมนัสโทมนัตก็ดับไปก่อนแล้ว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 และเหมาะสมกับศรัทธาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจควังตั้งใจปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระรา ช, ชรกุศลพระราชสการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชมัางกราชที่พระองค์อาพาธขอให้พระองค์มีพระกราเรสมจำราญ หายจากโยค า, าพยาธิสถิต ท, ทั้งมันภายใต้ใสายเวกัยชัดรัตตะบัลลังกองพระองค์เป็นที่รวมจิตรวมใจของคนไทยทั้งประเทศและตลอดควาเด็ดเดี่ยวสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระลูกยาเธอพระบรมวงศ์สาลูวงศ์ทุกทุกพระองค์ จนตลอดบุรพาพระมาหากษัตริย์แห่งจกกงักรีวงศ์ทุกๆพระองค์และพระสยามเทวาธิราชที่คุ้มครองปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราชและมีความสุขสวัสดีจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดคณะรัฐบาลข้าราชการที่บริหารประเทศชาติ ขอให้ช่วยกันบริงอานประเทศชาติให้เป็นไปโดยธรรมเพื่อความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความปาถุก ข, ของคนไทยทั้งประเทศตามที่อตาตมาภาพได้แสดงมาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงกองไว้แต่เพียงดีเอวังก็มีด้วยพระกราชนี